แมงกิท่าและลาริน่ากาลครั้งหนึ่งในเมืองทะเลสาบแห่งลูซอนอยังมีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนของเขาแมงกิท่าและลาเรน่าแมกิท่าเป็นพี่สาวคนโตเธอใจดีและเป็นที่รักของทุกคนน้องสาวคนเล็กลาริน่าจะอย่างไรก็ตามเธอไม่มีอะไรที่คล้ายกับพี่สาวเธอเลยเธอจะใจร้ายกับทุกคนจับผีเสื้อมาใส่ไว้ในขวดเพื่อความสนุกสนาน และพูดจาหยาบคายกับพี่สาวของเธอแมงกีทาจะทำงานบ้านทุกอย่างทั้งทำอาหารไว้ให้พ่อของเธอเมื่อเขากลับมาจากทำงานที่ทั้งหิวและเหนื่อยลา้าเพื่อเขาจะได้พร้อมกินทันทีและยังจัดที่นอนไว้ให้เพื่อให้เขาได้พักผ่อนลารีนาไม่ช่วยพี่สาวของเธอและยังเป็นห่วงพ่อน้อยมากเธอจะใช้เวลาไปกับการนั่งข้างทะเลสาบเพื่อหวีผม และมองดูเงาของตัวเองฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดไหมล่ะอ๋อฉันหล่อเล่นไม่มีผู้ใดสวยกว่าฉันอีกแล้วในอาณาจักรแห่งนี้ถึงจะเป็นเมืองที่เล็กๆเน่าๆก็เถอะวันหนึ่งชอบประมงป่วยหนักและเสียชีวิตลงแมงกิท่าใจสลายเธอร้องไห้เป็นเวลาหลายชั่วโมง ไม่นานเธอก็ตระหนักได้ว่ายังมีครอบครัวที่เธอต้องรับผิดชอบเธอมีสติขึ้นมาและได้ออกไปบอกกับลาเรน่าเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอลาเรน่านั่งหมกมุ่นอยู่กับรูปรักของเธอที่ทะเลสาบเช่นเคยน้องที่รักพี่มีบางอย่างจะบอกเธอเรื่องสาคัญมากเลยนะอ๋ออยาพึ่งเลยไม่เห็นเลย ว, ว่าฉันกลังยุ่งอยู่พี่จะไม่ใช้เวลา น, านานหรอกนะออ พี่มีอะไรล่ะคืออย่างนี้ตอนนี้พ่อไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกแล้วพวกเราไม่มีใครช่วยอีกแล้วล่ะพี่จึงตัดสินใจจะไปขายปลาในตลาดทุกๆวันพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะพอไหมแต่พี่จะพยายามให้ดีที่สุดโอเคไงก็ได้อ่ะตอนนี้ให้ฉันอยู่คนเดียวท่านะเธอไม่ต้องดีกับพี่ก็ได้นะแต่พี่รักเธอ เธอรู้ใช่ไหมโอ้จะไม่ต้องการความรักจากพี่หรอกฉันเกิดมาผิดครอบครัวแต่ช่างเถอะอีกไม่นานหรอกนะฉันถูกเลี้ยมาให้เป็นราชินีในสักวันฉันจะได้ทิ้งความจนจนมึงจนจนและพี่แบบนี้จะถ่ารูปงามของฉันกำลังจะมาหาและพี่จะได้เห็นมมนกีท่าถอนหายใจ พี่ไม่หวังสิ่งใดนอกจากขอให้น้องสมหวังนะน้องรักหลายวันผ่านไปแมงกิ่าทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงปากท้องเธอและน้องสาววันหนึ่งเมื่อเธอกลับมาบ้านพร้อมกับเงินเล็กน้อยเธอรู้สึกกังวลมากลาลิน่าพี่ขอโทษนะแต่พี่คนเดียวคงหาเลี้ยงพวกเราสองคนไม่พอหรอกเธอจะมาช่วยพี่ขายปลาพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรนะ เมื่อกี้พี่ว่าอย่างไงนะพี่ขอให้เธอไปช่วยพี่ขายปลาเพื่อพวกเราจะได้มีเงินพอนะขอร้องน้องรักพี่อยากทำก็เชิญทำไปสิฉันจะเป็นราชินีในอนาคตพี่อยากจะให้ฉันเป็นชาวบ้าธรรมดาอย่างนั้นเหรอไม่มีทางอ่ะแต่ว่าน้องรักพอดได้ละฉันจะไปทะเลสับเม่อกี้ท่าเศร้าใจมากเธอนั่งลง และเริ่มร้องไห้ลาริน่าออกมานอกบ้านและพบหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ต้องการอะไรแม่เท่าโอ้แม่หนูฉันหิวและกระหายน้ำมากฉันเดินทางมาไกลหนูพอจะมีเมตตามอบข้าวและน้ำสักหน่อยให้ฉันได้ไหม ฉันดูเป็นคนใช้ของคุณได้ยังไงกันไปให้พ้นเลยนะลาเรน่าผลักหญิงชราให้ออกจากทางของเธอและเดินออกไปโอ้โอ้พระเจ้าเมื่อได้ยินเสียงหญิงชราร้องแมงกิท่ารีบออกมาจากบ้านเธอตกใจมากเมื่อเธอเห็นหญิงชรานอนอยู่บนพื้นอ๋หนูขอโทษด้วยนะคะแมงกิท่าช่วยหญิงชรารุกขึ้นและพาเธอเข้ามาในบ้าน หญิงชราอธิบายว่าลาล่นาเป็นคนผลักเธอเมียิท่าตกใจมากโอ้หนูขอโทษนะคะคุณยายคือบางครั้งน้องสาวของหนูเธอก็ร้ายกาศโอ้โไม่เป็นไรดูเหมือนหนูจะใจดีนะหนูพอจะเมตตาให้ข้าวและน้ำให้ฉันดื่มกินสักหน่อยได้ไหม ฉันจะได้ไปตามทางของฉันเนะแมกกีท่าพยักหน้าเธอนำขนมปังชิ้นเดียวที่เธอมีมาให้และมอบแก้วน้ำให้กับนางหญิงชารากินขนมปังและดื่มน้ำอย่างมีความสุขโอขอบคุณมากนะแม่หนูเธอช่างมีจิตใจงดงามพอพูดจบหญิงชาราก็จากไปแมกกีท่าไปนอน โดยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องไม่กี่วันผ่านไปแมงกิท่าก็ล้มป่วยส่วนลาริน่าก็ยังคงเหมือนเดิมเธอไม่ได้สนใจอะไรมากนะักโอ้น้องรักช่วยไปขายปลาที่ตลาดทีนะพวกเราไม่มีเงินใช้แล้วฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละจะขอพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ พอพูดจบลารีนาก็ออกจากบ้านและพบกับหญิงชาราอีกครั้งแกอีกแล้วมาทำอะไรอีกนะเนี่ยฉันได้ยินมาว่าแมงกีทาอาการไม่ดีฉันนำมเมล็ดสมุนไพรามาช่วยให้เธอดีขึ้นลารินาฉีกยิ้มออกมาเธอไม่ต้องการให้แมงกีทาดีขึ้นเธอจึงทำเป็นแส้งยิ้มออกไปโอ้คุณไม่ต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรอก เธอเป็นพี่สาวของฉันมอบเล็ดนั้นให้ฉันทีฉันจะไปดูแลเธอเองแน่ใจนะเอ้แน่นนอนค่ะเอองานก็นี่จ้ะลอรินา่ารับถุงเมล็ด จ, จากหญิงชราอาการของแมงกิท่าแย่ลงอย่างมากเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเธอดิ้นไปมาอยู่บนเตียงดวงตาของเธอ เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองลริน่ามีความสุขอย่างมากเมื่อเห็นพี่สาวทุกทรมานเธอไม่เคยบอกนางเกี่ยวกับมเมล็ดที่เธอซ่อนเอาไว้อยู่ใต้เตียงเช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นและพบแมงกิ้ท่ามีเหงื่อไหลท่วมตัวเธอยิ้มออกมาและขณะที่เธอกำลังจะออกจากบ้านหญิงชาราก็ได้เข้ามา คุณกล้าเข้ามาบ้านกับพวกเราได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสักกอนหญิงชรายิ้มออกมาและสะบัดนิ้วไปในอากาศทันใดนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามอะไร น, น, นี่คุณคุณเป็นเทวดาเหรอ <c oughs> ฉันไม่ใช่เทวดาฉันคือเจ้าชายเจ้าชายสเฟ้นแห่งดอมฉันมีพลังวิเศษและกำลังมองหาหญิงสาวที่ใจดีที่สุดในโลก เพื่อแต่งงานและในที่สุดฉันก็พบแล้วผู้หญิงคนนั้นถ้าหากว่านางต้องการข้าแน่นอนเจ้าชายของฉันคุณไม่รู้หรือว่าฉันเนี่ยเราวันนี้มันนาเท่าไหร่แล้วไปจากที่นี่กันดีกว่าแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะเงียบเลยเธอมีจิตใจชั่วร้ายฉันไม่ได้พูดถึงเธอฮะ เจ้าชายสเตเฟนหันไปทางเมงกิทาและหลับตาลงแสงสีทองล้อมรอบตัวเขาเมงกิทาที่กำลังหลับอยู่บนเตียงก็ถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองเช่นกันลาริน่ามองดูทั้งหมดนี้อย่างประหลาดใจในไม่ช้าเมงกิทาก็ลืมตาและเธอก็ยืนขึ้นเธอรู้สึกดีขึ้นมาก จากนั้นเจ้าชายก็ลืมตาขึ้นและแสงสีท้องก็หายไปแมงกิท่าตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าชายสตีเวนยิ้มออกมาและอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังฉันอยู่ข้างนอกแล้วเฝ้ามองดูคุณตลอดทั้งคืนน้องสาวคุณไม่เพียงไม่มอบเมล็ดแก่คุณนางยังภาวนาให้สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นแมงกิท่าเสียใจมากเมื่อได้ยินทุกอย่างเธอหันไปทางน้องสาวน้องรก ทำไมทำไมเธอเกลียดพี่ขนาดนี้โอ้พ่อเธอฉันน่ไม่มีเวลามาดรา ม, ม่านะไปจากที่นี่กับเจ้าชายกับพี่เลยไปฉันไม่มีวันชอบพี่และจะไม่มีวันตลอดไปน้ำตาของแมงกิท่าไหลออกมาแต่เจ้าชายก็เข้ามาปลอบเธออย่าเสียใจกับเธอเลยเธอไม่สมควรได้รับความรักและความเมตตาจากคุณไปจากที่นี่กัน ไปอาณาจักรของผมผมจะแต่งงานกับคุณและเป็นสามีที่ดีให้กับคุณแต่ตัว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันโอ้บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้คุณน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วนะในตอนนี้เสร็จกันหรื อ, อยังเนี่ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะแมงกิ่ามองไปที่เจ้าชายสตีเวน่นและพยักหน้าเจ้าชายสตีเว่นเดีดนิ้วและทั้งสองก็หายไปในอากาศ ในงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่แมงกิดท่าและสตีเวนสวแมแหวนให้กันและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลอริน่ายังคงเหมือนเดิมไรเมตตาและใจร้ายกับผู้อื่นเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอย่างไรก็ตามแมงคิดท่าก็มอบอาหารให้เธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเจ้าชายสเตเวนหัวเราะกับความหวังที่แมงกิดท่าหวังว่า น, น้องของเธอ จะเปลี่ยนไปโอ้บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้เลยน้องสาวของฉันคงเปลี่ยนได้สักวันฉันรู้ดีโอ้โหผมไม่ได้พูดถึงน้องคุณผมพูดถึงคุณและความเชื่อที่คุณมีต่อเธอ <c oughs> <c oughs>